อันนับว่าเป็นความข้องขัดแกเราเราจึงได้มีความคิดว่าถ้ากะไรเราพึงบรรลุตตทิยชานโดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุตติยาชานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหรารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยปีติยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแกเราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้ากะไรเราพึงบรรลุจตุตตาาน โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุจะตุติฌานเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบขายังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดําริว่าถ้าใครโดยความก้าวล่วงรูปประสัญญาโดยประการทั้งปวงเราพึงบรรลุอากาสานัญจาตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีก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 เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแกเ่เราเราจึงได้มีความดำริว่าถ้าะไรเราก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุอากินจัญญายตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุอากินจัญญายตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะยังโกนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความดำนริว่าถ้าใครเราก้าวล่วงอากินจัญญาญตนะเสียพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนะอยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนะ เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนัสิการที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนะยังกวนใจได้อันนับว่าเป็นความข้องขัดแก่เราเราจึงได้มีความบำริว่าถ้ากไรเราก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะเสียพึงเข้าถึงสัญญาเวทิยิตานิรออยู่โดยสมัยอื่นอีกเรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว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 พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวะและมนุษย์ว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อใดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุปุพพาวิหารสมาบัติ9้าประการเหล่านี้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญานในโลกว่าเราได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 ไม่มีรายละเอียดเช่นในนาคสูตรอังคุตรนิกายนวการนิบาตมีพุทธพ์ดังนี้ภิกษุนั้นละนิวรห้าเหล่านี้แล้วสงัดจากการทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌาบนบรรลุทุติยฌาบนบรรลุตาติยฌาบนบรรลุจตุตฌาบนบรรลุอากาสาัญจายตนะบรรลุวิญญาัญจายตนะ บรรลุอากินจัญญาญตนะบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะบรรลุสัญญาเวทิตานิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายก็หมดสิ้นไป